ยะถาวาริวาฮาปุราปริปูเรนติสักระังเอวะเมวัยโตทินังเปตานังอุปกัรปติอิจตังปติตังตุมหังคิปะเมวัสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติระสูยะาหาน ติโยวิวันชันตุสานปารโควินาสตุมาเตมพาวันตวันตาไรโยสุขี ยุโคมภาวะพิวานธนสิลิตจันนิจางบนธาป้ายจันยนโจรตาโรถามาวันทันติอายุวันนสุขัง ปาลังกะตุเวปสัณนานังอากังธรรมังวิชาณตังปสัณนานังดากีเนยานุตเรอาเกธามีปสัณนานังวิรากูปสัมมีสุเค อาเกสรเกปาสันนานังปุญญาเกติอนุตะเรงอาการสัมิงดานังรดาตังอากางปุญญาประวัติตอากางานยเจวันโนจายโสกิตติสุขังบาลังอาการาดาตมเมาวีอากาธรมาสมาหิโต เดวะภูโตมโนโซวาหากาปัตโตปโมดตีติภวตูสามังกาลังราคันตุซาปเดวตานุภาเวนัสดาโสติภวันตุเตพาวาตุสาพามังกาลังราคันตูซาะเิวตา สัมบัธรรมานุภาเวนัสดาโสตีผวันตุเตภาวตุสัพพังกาลังรัคันตุสัพเดวตาสัมบัสรานุภาเวนัสดาโสทีภาวนตุเต